ท่นาสสนสาธุชนทั้งหลายก็ามาฟังกันต่อไปในเมื่อพระเจ้าท่านทรงตรัสว่าการจะไปในจะผีพรามเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้จะต้องมีรถทิพยมารับเมื่อท่านหันไปถามพระอินทร์นบอกว่ารถทิพย์พระนะ้อมในตัวอย่างเวลานี่ใกล้ทีห้าแล้วเธอ อ, อ่านเรื่องทาัมิกับอุบาสกรถทิพย์มาคอยอยู่นาน ทีมีการโต้อตอบกันมีการคุยกันพูดถากันบ้างแต่ว่าของเราทําไมไม่มีรถทริพย์มาพีินทั้งก็บอกว่ารถทริพย์วันนี้ไม่ว่างเพราะเวลานี้สมเสร็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเทวาดากับพริบทั้งหมดจกักรวรรลงมาเฝ้าทั้งหมดทางที่ทางที่คุณเห็นเรื่องนี้ใช้กําลังใจที่เป็นทิพย์ ก็ไม่สามารถจะมองถึงที่เห็นที่สุดของเทวดาระกรมได้รอบตัวไม่ใช่เฉพาะหน้านะรอบทั้งหมดมองได้ไม่ถึงนี้ไม่ถึงไม่ไม่ถึงที่สุดก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรถ้าว่าเป็นตามพระพุทธประสงค์ถ้า่าเป็นความประ ส, ง ค, สอ ง, องค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้นี้เพราะว่าสามงด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ต้องการให้ไปจิงไปไม่ได้ ก็ได่าประาเพฤษสัตว์บริษัทในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นก็ทัางคุยกันคุยกันเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงวลาห้านกาก็อาการแห่งการไปก็ไม่มีก็นั่งเฉยๆเจ้าก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเสร็จหลังจากที่พระเจ้าเสร็จมาแล้วตอนต้น เขาย้อนหน่อยหนึ่งในเมื่อท่านมาตั้งแล้วก็จัดถามตอนนั้นก็เลยขอพอร้วบอกว่าถ้าชีวิตคือโรมปราณสิ้นเมื่อไรวันแรกคอยร่างกายมีสภาพเป็นอย่างนี้แล้วคอ่คอยเคลื่อนไปที่เจ็ดวันเขาไมีสภาพร่างกายเป็นอย่างนี้ท่านก็ยอมแบบก็นักที่บอกกับท่านสีสภาพของร่างกายไม่ไม่โพร่งไม่โปร่งใส ถ้าอเอางี้ก็ให้มันปองใสจะดีกว่าแย่าเครื่ง ข, ข, ขึ้นกลางท่านกระตัดยอมรับก็วบานนี้มาค่อยรถทิพย์ไปมาเวลาก็ถึงเมื่อเวลาถึงแล้วก่อนที่เวลาจะถึ ง, ถ, งถึงตีห้าครึง่งท่านทุกองค์ท่านเขาก็ตรงตัดก็ฉันจะกลับแนะหมดเกณฑ์หมดเวลาแล้วก็วถามว่าเกณฑ์เวลาอะไร ก็เรียกพระการเข้ามาการยิ น, นพระการเมื่อมานะีมาแต่งตัวเหมือนคนธรรมดาใส่เสื้อผ้าหยับหยาบอย่างในช่างชีทิตมันแก่แต่การเข้ามาคนนี้พระการแต่งตัวแปลว่าเป็นนิยมว่าสวยสวยก็งามมากเป็นพิเศษคือชุดทั้งหมดเป็นแก้วทั้งหมด แก้วสาวสาวแก้วใสาขาวขาวใสเป็นเพชรอะเต็มเล่มมีแสงสว่างมากเมื่อเห็นเขาปักก๊บก็เขาทราบทันทีว่าถ้าเครื่องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นพระอนาคามีควารู้สึก บ, บอกในเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็ถามั้งบอกว่าท่านเป็นพระอนาคามีใช่ไหมต้องบอกใช่ ถามว่าท่านเป็นพระการอยู่ที่ไหนท่านบอกอยู่ท่านดาวดึงถ้าถามว่าท่านบอกเวลาห้านาาตรงจะต้องไปทําไมจึงไม่ไปทําไมจึงไปไม่ได้ท่านก็บอกว่าในเมื่อองค์สจจมเด็จพระจอมไตเสด็จเทวดากระพรูนนางฟ้าทั้งหมดก็ต้องมาเฝ้าแค่นั้นเจ้าหน้าที่อย่างรถทิพย์ก็ต้องมาเฝ้าไว้กันเวลาไม่ว่าง ก็ถามว่าเท่าที่ไปบอกเราบอกเพิ่งเป็นการลวงใช่ไหมใจตกใจทีะเข้าใจผิดเขาว่กไม่ใช่เป็นการเวลาที่ผมทราบจากพศ 2,523 เตือนตุลาคมที่พระเจ้าทรงตัดต่ออยู่ให้มันหมดเกณฑ์วันนี้พอดีท่านผมจึงต้องทำหน้าที่ของผมมามาเปือนท่านในรู้ตัว ว่าตีห้าวันนี้ต้องตายเจ้าพระพุทก็เลยบอกว่าถ้าทําไมไม่ตายนะเจ้าก็เลยบอกว่าให้การเวลาของเทวดาก็ตามอนรกก็ตามเพระต้องตรงเป่งถ้าไปตามเวลานั้นตายไม่ได้ก็ต้องรอไปอีกแต่ว่าผมถือว่า <ME precedent> ผมทําหน้าที่ผมครบถ้วนแล้วการที่จะควบคุมรู้กฎกรรมของคุณ เรื่องความอยู่ความตายก็คนหมดหน้าที่ของผมผมลบบัญชีทริงแล้วตอนนี้ไปก็เป็นหน้าที่ขององค์สุดเด็ดเือพระพุทธเจ้าองค์เดียวทีหลายองค์มาตามเป็นหน้าที่ของพระพเจ้าท่านท่จะให้ตายเมื่อไรเป็นหน้าที่ของท่านถ้าท่านยังไม่ตายท่านก็ตายไม่ได้เมื่อจะพูดอย่างนั้นแล้วท่านกราบพระพุทธเจ้ายกมือไหว้ขอไปนั่งที่หลังจากนั้นทั้งหมดท่านก็กลับ ท่ากลับไปหมดแล้วก็ลุกขึ้นเข้าห้องน้าล้างหน้าเข้าส้มเสร็จแล้วกลับมาที่นอนก็ตั้งใจว่ามีความรู้สึกว่าเออเราเนี่ยเหมือนท่ายุวัฒนกุมารท่านยุวัฒนกุมารปรากฏว่าขาะที่ท่านเป็นเด็กยังเดินไม่ได้พ่อกับแม่มีเพื่อนเป็นพราหมณ์คนหนึ่ง ก็พาลูกชายไปหาพราหมณ์เมื่อพ่อกับแม่กราบท่านก็บอกว่าขอท่านนัอนไหลจงมียุยนยาวอใอยลูกกราบพราหมณ์เฉยพราหมณ์ผู้เป็นสามีขึ้นเป็นเพื่อนกันก็ถามว่าเมื่อผมกราบท่านอันยาวผมกราบท่านท่านบอกขอให้มียุยืนยาวนานแต่เวลาให้ลูกกราบท่านเฉยเพราะอะไรพราหมณ์ก็บอกว่า ลูกของท่านจะตายไม่เกินเจ็วันนี้อีเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเป็นวันตายของลูกท่านถ้าฉันพูดว่าเขาจะมียืนยื่ยาวนานพูดไม่ได้เอ้าพรางก็มีความรู้ดีเขาพ่อของเด็กก็ถางว่าจะมีวิธีแก้ไขไหมเอาว่าฉันได้แค่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้คนที่รู้จริงๆวิธีแก้ไขมีองค์เดียวคือพระสมณะโคดม ทั้งสองตายใหญก็พาลูกชายไปหาพระสรณะโคดมที่พระเจ้าเข้าไปก็กราบแต่ท่านแม่พ่อกราบแม่กรบพระเจ้าบอกทีข้าอยู่โคโฮตุเขาจงมีอายุยืนยาวนานลูกกราบท่านเฉยท่านพ่อก็าถามตามเดิมเมื่อถามพระเจ้าเจ้าก็บอกว่าลูกคนท่านจะตายอีเจ็ดวันข้างหน้า น, นี้เป็นวันตายแน่นอนเพราะว่ามียักษ์ตัวหนึ่งได้พรจะเทาวาสุวรรณ ให้มันนำชีวิตคือร่างกายภายในร่ากายแทกงลูกท่านไปเป็นบริวารเขายังถามในวิธีแก้เพราะถ้าต้องการให้แก้เราทำอย่างนี้ก็แล้วกันต่อไปถึงบ้านไปปลูกลงประดับวิธีเพื่อเรื่องคาเป็นๆงู้อาสนะไว้ให้พระสงฆ์เป็นนั่งล้อมรอบถ้าสวดพระบุตใช้เวลาเจ็ดวันเขาก็ทาตามนั้น วันวันทั้งหลายทั้งหมดยักษ์ที่ต้องการตัวเด็กจะข้าเอาเด็กก็เอาไม่ได้เพราะพระนั่งกันไว้ <c oughs> พอถึงวันที่เจ็ดจริงๆพระเจ้าสมเด็จเองตั้งก่อนวันหนึ่งพื่ว่าเด็กยักษ์อยู่ใกล้วันที่เจ็ดพระเจ้าระเด็จเทวดากับพรมาเป้ามากยักษ์ทั่งหด้านมีศรัทธาน้อยมีวิัสสนาบารมีน้อย ก็อยู่ท้ายแถวไกลสุดขอบจักรวาลพระเจ้านั่งหยุดถึงเต็มเวลาวันที่เจ็ดถึงวันรุ่งถึงวันที่แปดหมดเขต จ, จากพรเทเวสสุวรรณยักษ์ไม่สามารถชีวิตเด็กได้แล้วเด็กท่านนั้นก็มีนามอายุอายุวัฒนากุมารมีอายุถึงร้อยี่สิปีถ้าอาตมะเองไม่มีความหมายกว่าตัางการร้อยี่สิบปี คือมีความต้องการอย่างเดียวคือว่าชีวิตจีิมีอยู่เขายีวมีความเป็นสุขหน้าการก็คล้ายคึออยงกันกล่ทั้งอายุวันากุมารในพระพุทธเจ้าประเด็ดเทวดาที่จะจัดจั ด, จดรถทิพมารับก็จัดไม่ได้ถ้าจะมาเองก็ไปไหนไม่ได้สรงความนั้นเมื่อไปไม่ได้มันก็ต้องอยู่ จะขออยู่อย่างคนที่มีความสุขสักหน่อยถ้าตามปกติตั้งแต่าาวีพศสองพันหยี่ิห้าเป็นต้นมาป่วยทุกวันไม่มีความสุขจะรับแขกก็ไม่มีความสุขจะนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขจะน้อยก็ไม่มีความสุขร่างกายไปเต็มไปด้วยความทุกข์มีการเสียดที่นอนเอือบที่นี่โปวดโอวบินตามันลําบากทุกอย่าง แต่มีใครบ้างไมทจ่รู้ว่าจะมาป่วยทั้งนี้ขอแต่ ว, ว่าน้อยคนเต็มทีที่มีความรู้สึกตานนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหน้ามันไม่บอกยี่ห้อว่าป่วยถ้าอาการต่างๆไม่แสดงว่าป่วยถ้าจะจะสังเกตเสียงก็พอได้แต่ก็ไม่แน่นักบางทีอยู่ในห้องเสียงแหบห้องรับแขกเสียงใสยังนมี ถ้าถามว่าเสียงมาจากไหนก็ตอบว่าเสียงมาจากเบื้องบนท่านใช้เสียงช่วยอย่างวันท้อกรถินตั้งแต่เช้ายันเย็นเสียงแจ่มใสชัดเจนมากหลังจากเลิกท้อกรถินแล้วไปลงการกระถินไม่มีเสียงพูดกระเพระก็เสียงมีจะว่าอะไรก็ว่าไม่ออกบท พระว่าไปก็ต้องนึกตามไปพูดไปออกนอ่ ก, กายของร่างกายมันเป็นอย่างนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธวิสัชน์ในเมื่อเวลายังมีก็ไม่แน่ใจนักนาฬิกามันรุนรุนวันนี้มันหมดเทพหมดแค่ไหนก็หยู่แค่นั้นย้อนถอยหลังไปก่อนหน้าไปซอยไซลมเมื่อวันที่สามตาปกติท้องถ่ายดีเป็นปกติอาการจริงๆอยู่ที่ท้องอย่างเดียว เพราะว่าอุจจาระมันเป็นดานข้างในมันเนา่าแล้วก็ข้างนอกเป็นแข็งล่างลงไปจะอะไรส่วนแข็งมันก็ไม่ยอมออกกินยาถ่ายแต่ไอส่วนแข็งก็ไม่ยอมออกไอของเน่าอยู่ในแบคทีเรียก็ ด, ดูดไอเ น, าน่าเน่าเข้าไปเลี้ยงร่างกายพระสายก็เสื่อมพระสายก็มึนถ้าถ่ายเอาอได้บ้างถึงแม้เน่าจะไม่ออกกระตมัมก็ยังโปร์พอวันที่สามปรากฏว่าไข้หมาไม่รู้ตัว มีการมึนเป็นปกติตาลายตาพร่าแรงไม่มียกปูไม่ขึ้นตาปกติเวลานี้นั่งท่านั่งเรียบกับพื้นลุกไปขึ้นท่านั่งกับ ก, กอีพอลุกได้ต้องมีคนช่วยยกเพราะ้่ามนมีที่เกาะร่างกายมันบากอย่างนี้จะไม่อยากจะยอยู่ในเมื่อจะบ้างเขาใช้สับปะาทก็ตายด้วยกันก็แล้วกันอยากจะตายเส่นเดียวนี้ ไม่อยากจะมีชีวอยู่สถ า, านที่อยู่ใหม่ก็งเราสบายกว่า น, นี้เยอะถ้าถามว่าไม่ห่วงคนหรือคำว่าห่วงนั้นไม่มีเรว่าทุกคนเกิดมาต้องเกิดแจ่เจ็บตายเหมือนกันหมดทำไมจะต้องห่วงกันก็มีความห่วงอย่างเดียวก็ไม่ห่วงคนได้ห่วงความประพฤติ่วงความรู้สึกของคน อยากให้ทุกคนเข้าถึงสัญญชต์สามแม่หนักน้อยถ้าถือว่าสัญญชต์สิบเป็นดับที่สุดหลังจานั้การเมื่ออาการไข้เข้ามาการถ่ายก็ถูกตัดก่อนจะเข้าซอยเส้นลมหนึ่งวันล้างท้องพอเขาถึงสายเส้นลมก็ถูกทับหนักคืองานไม่ได้หยุดทั้งวันคืนไข่ก็เลือก ม, มากเป็นตะคิวที่มือกับเท้าทั้งสองวันทั้งสามวัน นั่งรับแขกตรงมือกับท้าเบติคิว้าโบที่เห็นว่าเวลาที่เขานําพระพุทธรูปมาสังถวายสังฆทฏานจะยกมือไหวอยู่เสมอเรื่อนั่นคือไหวพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไหวกระถางและไหว้คนที่ให้ไม่เพียเห็นรูปท่านก็เห็นท่านนึกถึงท่านก็ยกมือไหวท่านจะไปที่ที่แล้วมาที่หกธันวาคมยกมือไหวไม่ไหว ต้องปลดมือเฉยๆมือมันเจ็บหมดเป็นไอคิวด้วยเท้าก็เป็นไอคิวหมอจรูนกับแสงโสพัญญาก็มาช่วยบำบัด ท, ทุกคืนแล้วก็ไขว่าเนอหมอนนวดนึกไม่ออก่าแล้วก็มาช่วยให้นวดนุกคืนนึกชื่อไม่ออกขอโทษนะทุกสิบจะแท้ ให้มันหน่อยมากโยมแต่ก็ไม่สามารถจะบรรเทาให้ลง ม, มันได้เพราะว่าคนไข้ที่ไม่ได้นอนบรรดาท่านำไหล่หมอท่านยังไงก็ไม่ไหวคนไข้ที่ไม่มีเวลาพักเหนื่อยถึงก็วันขึ้นมาไม่ตัญญาเเหนื่อยตอนคืนก็ต้องลงวเวลาตอนดึกหมอจรุญก็ต้องมาอีกกัะวยาที่ยายช่วยให้หลับก็เป็นอย่างเนี้ต้องเรียว่าต้องบังคับกันให้หลับ มันก็ไม่เฉหลับจึงต้องบังคับคือหมายความประสาทไม่เต็มใจหลับแต่ว่าต้องใช้ยาบังคับให้หลับก็เปนน็นว่าร่างกายมันก็ซุดมากเขากลับมาวัดคือที่นั่นต้องขึ้นก่อนเวลาทั้งสองวันนั้นทนไม่ไหวจริงๆก็ได้ด็อร์วิญญาณตุนตาลัยซึ่งมีความเฉลียวฉลาดรุ่นรุ่นีลา แล้วก็มีความเด็ดขาดที่ว่าต้องขึ้นก็ต้องขึ้นชอบใจเธอตรงนี้งานทุกอย่างดรต้องอย่าเอาจริงทุกอย่างพูดจริงทำจริงอย่างคาดไม่ถึงรายกายการบวชพระร้อยองค์วันนี้ปรากฏเป็นร้อยแปดสิบองค์ต้องบอกปิดพอแล้วร้อยแปดสิบองค์นั่นไม่ทราบว่าสองวันจะเสร็จหรือเปล่า ของสาลคู่สวดคู่สวดเมื่อสวดเสร็จสวดนาคเสร็จจะต้องถูกสวดกุศลาหรือเปล่ากุมภิษากหรือตายก็ดีหน่อยที่มีเ่ขยายเสียงช่วยไม่ไมตกตะเบียงเสียงมากเพราะการสวดนินพพานตัวองค์ตัวดีนหมดชื่อว่าเบาๆไม่ได้ถ้ามีขยายเสยียงช่วยก็เรียกว่าบรรเทาเสียงลงไปได้เนี่ยน้อยลง พอกลับมาถึงวัด ป, ปัญดาถึงพระสุสัตธ์ไข้ก็กำเริบก็ตั้งมัวเมามึนต่างๆค้สยดก็มาถึงวาระแห่งความตายทีนี้อาการต่างๆที่ปลายขดขึ้นวันนี้สำหรับวันนี้ที่พูดเนี่ยตอนก่อนเที่ยงขึ้นไปที่เทวสภาคือไม่รู้จะไปที่ไหนคือว่าขอโทษ ตอนนี้รากาตอนเช้าอตอนช่วงในเพลงืึองวิเทวสภาว่าอยู่ข้างล่างมันก็สับสายมากก็พอดีไปเจอพระอินท่านท่านสามพระีพร้อมก็มาพร้อมก็ม า, กมามากเทวดานางฟ้าก็มามากห้าพระโพธิสัตว์ก็มาเยอะก็เห็นท่านประการถานนพะการว่าให้ฉันไม่ไม่ตายตามกำหนดเป็นเพราะอะไร ถ้าบอกว่าเป็นหน้าที่พระเจ้าขัดขวางเพราะอายุจริงๆของท่านมีแค่อายุยี่สิบเจ็ดปีอายุตั้งแต่เปีที่ที่สิแปดเป็นต้นมาไม่ใช่อายุของท่านเป็นอายุที่พระเจ้าให้ท่านต่อให้ท่านมาเป็นระยะระยะเป็นหน้าที่ของท่านแต่ใ น, นเมื่อท่านต่อใหญ่ขึ้นเม่าปีสองพันหรอยี่สิบสามมาจบลงวันนี้ผมก็ต้องทําตามหน้าที่ของผม ตัวตามหน้าที่เขาการกระบวนการว่าไม่ใช่ไปเอาชีวิตคนแล้วการมีหน้าที่เย่างเดียวว่า ใ, ใครจะตายหรือใครจะเกิดถ้าตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเกิดแล้วจะจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดอยู่เกิดที่ไหนรู้การเวลาของคนไม่ใช่ไปแช่าหายตายแล้วไปฆ่าหาตายในเมื่อผมรู้การเวลาเขาบอกตามหน้าที่ของผมคราวนี้ผมถือว่าผมทําหน้าที่ผมเต็มที่สุดแล้ว ต่อไปภาระห น, นที่ผมไม่มีอีกเป็นหน้าที่พระเจ้าองค์เดียวหลังจากได้การมาคุยกับโยมโยมผู้หญิงท่านชนคุยหลายอย่างโยมผู้ชายท่านชนคุยคุยกันไปคุยมาท่านสมดีพระองก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าไปที่พิมายเขาคุณดีกว่า ก, ก่อนจะไปพิมายก็ต้องไปแวะหาพระเจ้าก่อนบกราบท่าน เขบอกว่าไอ้วิ่มาเน้นไม่ต้องหวงใหญ่ยังไงๆคุณก็ต้องมาอยู่แน่ทั้งเวลานี้ไปวิวันของคุณก็ไปกันที่นั่นก็มีความ ส, าสว่างไสวมากเป็นพิเศษก็มีญาติโยนหลายที่ตายไปก่อนมารอรับจุดอสองร้อองศ์เศษมีพระ้าหลานเยอะวันวันนี้สว่างเป็นพิเศษสว่างแจ่ใสจริงๆจิ่งนึกถึงท่านหญิงพิภาวดี ก่อนที่ท่าจะขาดใจออกสว่างแล้วสว่างณนิพพานข้นิพพานข้าวสว่างมากปฏิพาน์เห็นชัดมากส่างมากมาใกล้แล้ว ว, วันนี้สว่างอย่างนั้นจริงๆไม่เคยสว่าง่างนี้มาก่อนตัรวรวมกลามว่าบรรดาธรรมพุทธบริษัทเรื่องของปฏิพานมีจริงแต่ถ้าว่าใครจะเชื่อปิพานนั้นไม่เชื่อปฏิพานในเรื่องของท่านเราไปฝืนกันไม่ได้ ถ้าการตายเขาทำมาหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอกหมายเมื่อไปหาของท่านและไปทีมาแล้วท่าก็บอกว่าเอางี้กัแล้วกันเธอที่ฉันต้องการให้อยู่พก็ก็มีคนยังรู้มักผลเป็นอาหาอันี่เจ็ดสายคนเศษแต่ว่างานเจ็ดสายคนเศษนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเธอโดยตรงเธอมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับคําแนะนําจากฉันและไปสอนต่อ การสอนคนก็ต้องเป็นคนที่เคยพบหาสมาคิ ม, มาตั้งแต่ใช่ก่อนที่จะรู้เรื่องจะง่ายท่านเกตสายคนเศษนี่ก็ต้องแบ่งกันอาจารย์องค์นั้นบ้างอาจารย์องค์นี้นบ้างอาจารย์องค์นั้นบ้างอาจารย์คนนี้นบ้างาา ank, แต่และอาจารย์ต่างคนต่างสอนแต่และอาจารย์พระแต่และองค์เวลานี้ท่าน ไ, ได้มากคนเบืองสูงก็มีมากแต่ว่าพระบางท่านไม่มีความเข้าใจ นั่นก็เป็นเรื่องของท่านเอาหน้าที่ของเราเราทำตามหน้าที่เจ้าเพราะคุณตอนนี้ไปไม่ต้องสอนอะไรา ย, ยากสอนสังโยชนิสิทธิเห็นว่าเป็นของง่ายเนเพราะจิตก็เป็นสังโยชนิสามก่อนความเป็นโสดาบาันสกิทาคามีต้องเอาให้ได้จะถือว่าคนที่ฟังทุกคนได้ทุกคนก็ไม่ได้แต่ฐานคก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าการสอนครั้งหนึ่งแล้จจิตเอาทุกคนให้ได้หมดไม่ได้เข้าใจให้หมดไม่ได้เราจะเจาะคนจุดใดจุดหนึ่งด้วยคนใดคนหนึ่งเวลานั่งมองมองดูคนยาวตามองเงาใจมองเห็นว่าใครมีสายเพราะจะเข้าใจได้เจาะจุดเฉพาะคนนั้นที่ก็มีความเคลือบแคลงสงสัยอะไรอยู่พูดจุดนั้นให้ใครความสงสัย ถ้าเราพูดบ่อยๆความชิงกันฟังเกิดขึ้นความรู้สึกง่ายๆเกิดขึ้นเพาะงก็คนปั้นโอกระสลเอาดินเหนียวาปั้นโอสุนถ้าไม่เคยปั้นมาก่อนมันก็จะบี้บ้างแบนบ้างรีบ้างเรียวบ้างถ้าปั้นทุกๆวันวันเพียงแค่สิบนาทีทุกวันปั้นเข้าวความจำน็เกิดขึน้นไม่ดีสุดความจนก็เกิดขึน้กนก็เห็นว่าการปั้นโอกสุนให้กลมบองไปของง่าย หยิบดึงเข้ามาเวลายปั้นกลมได้เหมา น, นั้นข้อนี้ชั้ในใดเมื่อการฟังคําแนะนําสอนโยอดสิบก็เช่นเดียวกันต้องให้ฟังบ่อยๆจะบอกว่ายากถ้าบอกว่ายากคนทอต้ อ, อต้องบอกว่าง่ายถ้าราบอกว่าง่ายเขาจะมีใจฝูงขึ้นถ้าบอกจุดเฉพาะจุดการสอนสัญญญ้งยอดก็ใหญ่ใช้ธรรมะเพลิเกินไปหมา ย, ายความใหญ่ใช้ธรรมะประกอบให้มากเกินว่าเอาเฉพาะจุด เฉพาะจุดที่มีความจําเป็นต้องแก้สัญญตัวนั้นถ้าว่าแนะนําธรรมะมากเกินไปคนจะเอื้อมจะมีความรู้สึกว่ามีความรู้น้อยไม่สามารถจำรูปมรรคผลได้อันนี้เราตัดความดีของเขาแต่จงแนะนำเฉพาะธรรมะที่มีความจําเป็นจริงๆอย่างถ้าจะตัดราคะให้จี้เฉพาะกายคติเอาสุภกรรมฐาน ที่เจ้าพ่อจุดจะตัดโทสะให้ทพพี่เจ้าพ่อเขามหฐานสี่หรือก็สินสี่เอาเฉพาะอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะมีสินให้มีสินบริสุทธิ์เป็นพระโสดาบันนสิกขาขามีก็ที่เจ้าพ่อจุดคือเมตตากรุณาสองตัวเอาง่ายๆ่ายสั้นๆถ้าเราพูดวนไปวนมาให้มีความเข้าใจเอาอยนี้ก็แล้วกัน ถ้าขณะใดาที่จะพูดถ้ามีความรู้สกใยเกิดขึ้นในพูดตา น, นั้นนั่นคือฉันช่วยว่าท่านแนะนำตามนี้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็พอดีหมดเวลาใกล้เพลยนเลาท่านลองอมาในเวลาทิ่ห้านาทีเมื่อลงมาแล้วก็คิดว่าไม่อช่เพ่อกจะออกไปจากห้องพระปฏิกาปฏิบที่พา ร, รับ ในเมื่อเจ้าตัิการว่าที่มารับออกไปก็ จ, จะเจ้าัวทธนาคารมาจ่าย ร, รัตว์วันนี้เป็นวันหักใจเงินของช่างที่ทำงานที่เจา้าตัวที่ต่างๆก็เป็นว่าแบบไปจ่ายเสร็จก็มีพระสมชายกำลังจะตั้งไปสมุกเอาเงินมาให้บอกญาติโยกากมาห้าหมือนบาท เขาสร้างห้องกรรมฐานห้องกรรมฐานนี่ยังเหลืออีร้อยห้องเศยสร็จสร้างไว้นะยังเหลืออยู่เมื่อรับแล้วก็ฉันเปลี่ยนเวลาฉันตื่นฉันปัตต า, าไม่ได้เคยฉันได้ไหลายแต่พีวันนั้นแค่สองท่าพีก็ย่ำแย่เต็มทีมเพราะสึกความเพลียนหดสร้างใครก็เพียก็เป็นว่าเมื่อฉันเสร็จก็เข้าห้องพักห้องพักก็ใช้จิตจะพิทาภัยไมอารมณ์ ก็หาเพื่อนคุยก็คุยกับท่านท้าวมหาราชบ้างธรดาอง์อื่นบ้างกับลุงบ้างลุงเอร์ลุงพุทธเทพยายยมกับลุงใหญ่คือสิรีขุตามาตคุยพอแก้เหงาแล้วเมื่อคุยก็แท่งแจเหงาไมาหายเหงาก็ถึงเวลาไปรับแขกไปรับแขกวันนี้งงเลยเต็มทีที่เวลาพูดธรรมดาจะพูดไวสัตตัวก็สัน่นมือก็สัน่น เสียงมันสั่นแล้วไม่ใส่ม่ชาติแต่เสีงแหบแนแ่การฟังคราวนี้จะรู้เรื่องไม่ชัดก็ข อ, ขอบรรดาผท้บริษัทเ์ขอให้ภายด้วยเขากำลังป่วยเพรียถ้าจะไม่พูดวันนี้ก็เกรงว่ามันจะลืมไปเสียถ้าพูดวันหลังก็ต้องพูดวันนี้ที่แรกคิดจะเขียนท่านลุงพุธต้องบอกว่าอย่าเขียนเลยคุณตาคุณก็ไม่เห็นร่างกายก็ไม่ดี จะพิมพ์ไม่เขียนก็ใช้ไม่ได้จะใช้เวลานานกว่าจะจบหนึ่งชั่วโมงก็ต้องเขียนไปถึงห้าชั่วโมงใช้พูดดีกว่าทนพูดเอาเสียงจ่แหบมันจะแห้งกรช่างให้ลูกประวัติสายของความตายให้ลูกหลานรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องตายไม่ใช่ทุกคนของพ่ออยู่นานๆพ่ออยูน่นานยิ่งนา น, นยิ่งทุกข์ยิ่งนานยิ่งทรมาน ถ้าไอคนอยากจะตายยังก็ตายไม่ลงถ้าไอคนไม่อยากตายมันตายได้แต่จริงๆถา้าวทาัพ น, นี้อยากตายก็เพราะว่าร่างกายมันเป็นทุกข์โลกนี้ทั้งโลกเป็นทุกข์เกิดมาก็เป็นทาตุรับใช้คนการสร้างวัดการสร้างวัดก็ไม่ต้องการให้พระเบื้องหลังมีความทุกข์เพราะเราทุกข์มาแล้วในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ ก็ต้องหาทุนสำรองไว้ทุนสำรองในการช่องบํารุงทุนสำรองในการซ่อมไฟฟ้า ใ, ใช้ค่าน้ามนันทุนสำรองค่าประธ า, ารประจําวันจัดไปแล้วแต่มันไม่มากจัดจัดจะเกินที่จะโยนถวายเป็นส่วนตัวถ้าเงินเป่ายันต์โปรเพชดแบ่งนะไม่ใช่หมดแบ่งบางส่วนบางส่วนก็ไปก่อสร้าง บางส่วนเก็บไว้บ้างทักสิบเปอร์เซ็สะสมไว้ได้พอสมควรแต่คิดว่าถ้าตายเวลานี้ถึงว่าเงินจะไม่พอจ่ายจริงๆพระก็ยังมีทุนสำรองวัดอื่นที่ไม่มีทุนสำรองเลยเขายังทําได้แต่เมื่อมีทุนสำรองว่างการซ่อมแซมเป็นของไม่หนักนักแต่อย่าลืมว่ายิ่งนอนอะไรของยิ่งแพงเท่านั้นมัญญาแพงมากขึ้น ก็ยังอยากจะให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่มีความห่วงใยวัดทําบุญเฉพาะเป็นทุนสํารองของวัดถ้าทางสงสารโรงเรียนก็ทําบุญเฉพาะเป็นทุนสํารองของโรงเรียนใช้แ ต, ะตะ่ต่อเบี้ยวัดก็ไม่การใช้ต่ต่อเบี้ยอย่างนี้ก็จะดีนี่ไม่ใช่บอกบุญนะไม่ใช่อะครนะบอกให้ฟังพูดเฉยๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเหนื่อยทีมทีแล้ว มันเหนื่อยขอลาก่อนนะที่จะไปหลายข้อขความส่งสวัสดิภพัฒนาบางคนขมบูรบนผลต้องมีบรรดาสมุทรวิสัสทุกคนสวัสดี